ความทุกข์ลดลงความสุขก็มากขึ้นที่จริงแล้วพุทธศาสนาหรือคำสอนทางพุทธศาสนาทั้งหมดมันก็การลดทุกข์นั่นเองเป็นศิลปะในการลดทุกข์ช <c oughs> ัดโลกต่องอยู่เป็นมิตฮูโนโลโก แต่นอกจากนี้แล้วยังมีพาระขัดแย้งมีพาระขัดแย้งมีคอนฟ lict ต, ต่างๆอีกมากมายในแวดวงของชีวิตทั้งทางร่างกายและจิตใจคุณก็มีความพยายามในรู้จักทีมก <c oughs> ็แม่จะเป็นอิสระชนแม่จะเป็นอิสระชน โดยชื่อว่าเป็นอิสระชนแต่ก็ต้องตกเป็นธาตุของความทะยานอยากของตนเองแต่อย่างที่ท่านกล่าวไว้ซึ่งได้พูดมาแล้วนะครับว่าอาจิตโตโลโกโล ก, โลกไม่อิ่มไม่เบื่อตนะาดาโซเป็นธาตุของตนาอค่นี้เกี่ยวกเรื่องความความทุกข์ <c oughs> อได้พูดเรื่องเกี่ยวกับความทุกข์ไว้ค่อนข้างจะยืดยาวแล้วในปาจเอ่าในรายการทำและทัศนชีวิตนี่แหละครับในเรื่องความทุกข์และการดับทุกข์รู้สึกว่าจะทำเทพไปแล้วแบบหกม้วนหกม้วนหก ม, หกมได้พูดถึงเรื่องความทุกข์และการดับทุกข์หกม้วนหกชั่วโมง ก็เดคิดว่าไม่จาเป็นจะต้องพูดยาวในที่นี้อีกเป็นแต่เพียงนำมาประกอบตรงนี้เพื่อให้หัวข้อที่ว่าธรรมชาติของชีวิตได้สมบูรณ์ขึ้นแล้ว <c oughs> ก็ประการที่สามธรรมชาติสำคัญอย่างหนึ่งหรือกฎของชีวิตที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คืออนัตต า, ตาความไม่ใช่ตัวตน <c oughs> ไม่ใช่ตัวตนหรือไม่มีตัวตนเรือความไม่ใช่ตัวตนหรือไม่มีตัวตนคือว่ามันไม่มีตัวตนที่แท้จริงของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีอยู่ดำรงอยู่ชั่วคราวตามเหตุปัจจัยพอสิ้นเหตุปัจจัยก็พลอยเสื่อมสิ้นไปด้วยเมื่อมีเหตุปัจจัยอุดหนุนคำจุนอยู่ก็พอดำเนินต่อไปได้ เหมือนตะเกียงครับตะเกียงที่อาศัยไส้น้ำมันติดเป็นเปลวอยู่พอสิ้นน้ำมันเปลวไฟก็ดับไปหรือว่าเหมือนเครื่องยนต์ชนิดใดชนิดหนึ่งที่ต้องอาศัยปัจจัยมากมายในการทำงานของมันเมื่อปัจจัยตัวใดตัวหนึ่งบกพร่องติดขัดือเครื่องยนต์ ติดขัดแล้วเครื่องจนก็เริ่มจะสวนเพราะติดขัดถึงกับดับไปถ้าปัจจัยนั้นเป็นตัวสาคัญเครื่องก็อัดดับไปเลยสิ่งมีชีวิตเช่นมนุษย์นะครับก็เหมือนกันประกอบขึ้นด้วยอวัยวะมากมายท้ายเครื่องจนท่านจึงเรียกร่างกายนี้สัว่าสารีรย์ยนยนต์คือสรีระ ผู้ที่ศึกษาทางสยรวิทยาก็คงจะทราบเรื่องนี้ได้ดีนะครับทีนี้ความเป็นอนัตตาของชีวิตนี่นะครับรวมทั้งความเป็นอนัตตาของสิ่งทางปวงก็สังเกตได้จากจากลักษณะดังต่อไปนี้นะครับข้อหนึ่งเราไม่อาจเลือกเอาได้ตามความพอใจ สองเราไม่อาจบังคับให้เป็นไปตามที่เราอยากให้เป็นสามขันห้าคือรูปเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์สัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความคิดปรุงแ่งหรืออารมณ์ที่ดีหรือชั่วที่เกิดับกจิตวิญญาณคือความรับรู้ทางตาหูจมูกกลิ่นกายและใจ ่งประกอบกันข้าวเป็นชีวิตของมนุษย์และสัตว์นี้เป็นไปเพื่ออาพาธสุดโศมบังคับไว้ไม่อยู่ยอมเป็นไปตามเหตุปัจจัยอย่านี้เราสังเกตได้จากกษณะสามอย่างนี้นะครับทีนี้ที่ว่าเราไม่อาจเลือกเอาได้ตามความพอใจ ตัวยอย่างเช่นว่าเช่นว่ารูปรูปกายของเรานี้เกิดมาจากพ่อแม่และกรรมของเราเราเลือกตามความพอใจของเราไม่ได้พ่อแม่ก็เลือกไม่ได้ว่าถ้าท่านเลือกเอาได้ท่านก็คงจะเลือกรูปกายที่สวยงามตัว น, นี่ที่สุดแข็งแรงที่สุดให้ลูกท่านเท่านั้น แล้วก็เมื่อเกิดมาแล้วรู้จักความสวยงามความคีรความแข็งแรงความอ่อนแอแล้วถ้าเลือกเอาได้ทุกคนก็ต้องเลือกเอาอย่างที่ดีที่สุดแล้วก็ทิ้งสิ่งที่เลวแต่เพราะว่าเราเลือกเอาไม่ได้มันเป็นไปตามเหตุปัจจัย รูปกายของคนจึงปรากฏตามที่เห็นกันอยู่ก็มีดีบ้างเร็วบ้างหยาบบ้างประนีตบ้างแข็งแรงบ้างอ่อนแอ บ, บ้างทีนี้ข้อที่ว่าเราไม่อาจบังคับให้เป็นไฟได้อย่างที่เราอยากจะให้เป็ดก็อธิบายโดยย่อว่าสังขารร่างกาย ของเรานั้นเจริญหรือสุดโทมก็สุดแล้วแต่เหตุปัจจัยภายในซึ่งมีกลไกลในตัวของมันเองกราเป็นไปตามธรรมชาติของมันเองเราบังคับมันไม่ได้ในกรณีที่บังคับได้บ้างก็ชั่วครั้งชั่วคราวตัวอย่างเช่นว่าการทำงานของต่อมไรท่อ ภายในร่างกายเราบังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของจิตใจมันก็เป็นไปตามที่มันจะเป็นทีนี้่ข้อที่ว่าเป็นไปเพื่ออาภัตหมายความว่ารูปกายเป็นไปเพื่อความเจ็บป่วยสุดสมอยู่ตลอดเวลา แต่ทนไปได้ก็ได้เปลี่ยนอิริยาบถคือยืนเดินนั่งนอนกินดืน่มถ้าสิ่งตามที่กล่าวมานี่นะครับไม่สม่ำเสมอมากไปหรือน้อยไปร่างกายก็แสดงอาการวิปริตทันทีร่างกายพร้อมเสมอที่จะอาภาัยแต่พออาศัยการบริหาร ของผู้ที่ยึดกายนี่ว่าเป็นของตนจึงทำให้พอทนไปได้แต่ในที่สุดก็ต้องแตกทำลายไม่มีใครสามารถฝืนได้ดันี้ถ้าเราพยายามบริหารบริหารไปกินดื่มนั่งนอนยืนเดิน บริหารร่างกายให้พอดีพอดีมันก็เป็นไปได้นานพอสมควรถ้าไม่มีโรคภยัคยไข้เจ็บอะไรมาทำลายแต่ถ้าไปไปปฏิบัติตัวร่างกายไม่เหมาะสมร่างกายก็พร้อมที่จะพังทำลายไปในระยะเวลาไม่นานแต่ตอนนี้ก็มีข่าวพระสองรูป ที่จังหวัดสาแก้วก็นั่งวิปัสนานั่งวิปัสนาไม่ไม่ฉันข้าวไม่ฉันข้าวดื่มน้ำด้วยหรือเปล่าก็าไม่ทราบก็มาแล้วนาพาไปองหนึ่งแล้วอีกองหนึ่งก็ไม่มีเสียงจะพูดแล้วโดนสักถามเขาหน่อยถึงก็ชักจะฉุนเฉียวอารมมันเสียไปนะครับคือว่างุดงิจ อดอาหหลายวันเขาก็หุดหงิดบางคนแค่วันเดียวก็หุดหงิดมือเดียวบางมือบางมือพอหิวเขาก็ชักหงุดหงิดกันเห็นทางอโทรทัศน์เขาไปสัมภาษณ์ถามว่าทมเพื่ออะไรเ้าบอกว่าจเจริญมีปั ส, สนาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปเฝ้พาพระพุทธเจ้าที่จุลามณีเจดีสวรรค์ จะไปฝ้าพระพุทธเจา้าว่าเคยไปฝ้าเราได้เห็นอันนี้ไม่ไม่จริงนะครับเป็นไปไม่ได้เพรว่าถ้าถือตามพระไตรปิฎกที่เราวาด <c oughs> แล้วก็พระพุทธเจ้าจัดไว้ชัดเจนจัดไว้ชัดเจนในปรมาจารย์สูตรแรกของที่ขันธ์กายว่าเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ก็จะเห็นสามารถจะเห็นเราตาตาคตได้แต่เมื่อตาฐาคตนี้ผ่านไปแล้วเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็จะไม่เห็นตาฐาคตอีกเลยคนใครที่อ้างว่าไปนั่งสมาธิหรือนั่งวิปัสสนาไปข้าวพระพุทธเจ้าเรก็มีองค์พระพุทธเจ้าได้พบองค์พระพุทธเจ้าในที่นั่นที่นี่อะไร แต่ถ้าเผื่อคำพูดของท่านผู้นั้นจริงพระใจผิตกก็ผิดแต่ถ้าพระใจผิตกที่เรารับช่วงกันมาเป็นเวลาพันกว่าปีอะประมาณสองพันปีแล้วถูกต้องถ้าคำพูดนั้นก็ผิดคือพระอราหันต์ก็เหมือนกันนะครับพระอราหันต์ที่ท่านนิพพานไปแล้ว เขาไม่มีใครไปพบท่านได้อีกแล้วท่านก็จะไม่มาหาใครท่านก็จะไม่มาหาใครอีกทนคนที่ออ <c oughs> บอกว่าได้เห็นพระอระหันต์โดยรูปกายานได้พบพระอระหันต์โดยรู ป, ปกายอะไรอย่างนี้ถ้าคําพูดของเขาถูกพระใจบิดโดกรอบคิด <c oughs> ทีนี้ทําไม ทำไมไม่ถือเอาพระพุทธพจน์ที่ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเพราะถ้าอยากเห็นพระพุทธเจ้าปฏิบัติรธรรมปฏิบัติธรรมให้เห็นธรรมให้เข้าใจธรรมให้ได้ธรรมะจักสุแล้วธรรมะจากักสุก็คือเห็นธรรมจะเห็นธรรมเห็นธรรมก็เห็นพระพุทธเจ้า เห็นพระอาหารหันต์เห็นพระอาหารหันต์ก็เดินตามรอยของพระอาหารหันต์แล้วก็กลยความเป็นพระอาหารหันต์เขาไปหรือเป็นพระอาหารหันต์เมื่อไรก็เห็นพระอาหารหันต์เมื่อนั้นก็เห็นพระอาหารหันต์อยู่ในตัว อ, อันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจกันให้ดีมิฉะนั้นแล้วก็จะเพียนกันไปใหญ่นะ ทีนี้ก็กล่าวถึงในสระบาลีอนัตตละคณสูพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงขันห้าว่าเป็นอนัตตาถ้าขันห้าเป็นอนตาแล้วก็จะไม่พึงเป็นไปเพื่ออภพาตเพราะว่าเราจะหวังได้ว่าตรงเป็นอย่างนี้เถิดอย่าเป็นอย่างนั้นเลย แต่เพราะว่ามันเป็นอนัตตาเราจึงหวังไม่ได้ฟองไม่ได้ว่าทรงเป็นอย่างนี้เถิดจะเป็นอย่างนั้นเลยมันก็เป็นไปอย่างที่จะเป็นอย่างที่มันจะเป็นตามเหตุปัจจัยปรากฎธรรมชาติที่บงังไจรัลไใบก็คือสันตติความสืบต่อไม่ขัดสายบางความไม่เที่ยง อะไรบังความไม่เที่ยงเอาไว้ก็ต่อว่าสันตติสันตติคือความเป็นไปติดต่อไม่ขาดสายก็บังความไม่เที่ยงเอาไว้ <c oughs> สังเล็บของเราเนี่ยครับ <c oughs> เล็บของเราเนี่เราตัดทุกเจ็ดวันแต่ก็ดูดูมันเหมือนเล็บเดิมอไม่เป็นเล็บอื่นเหมือนเล็บเดิมแต่มันงอกขึ้นมา อกขึ้นมาสืบต่อเอาไว้เหมือนผีสันวันหน้าอะไรเหมือนอันนี้สันติควาจริงถ้าเบื่อว่าเราไม่ตัดเแล้วว่าปล่อยมันออกปล่อยมันไปตามเรื่องมันจะยาวถึงไหนก็ไม่รู้หรือว่ายาวไปถึงระยะหนึ่งแล้วมันจะอยู่ก็ได้อันนี้ก็เป็นเป็นสันติมันบางความไม่เที่ยง เอาไว้แต่ผิวหนังของคนมันก็ที่จริงไงผิวหนังข้างนอกชั้นนอกมันก็มันก็หายมันก็หายไปมันก็เราถูขี้ไกลนี่มันก็นั่นไปแล้วก็ลอกไปหายไปแต่ว่า้ผิวหนังที่ขึ้นมาใหม่ก็เหมือนเดิมนี่คือสันติสันติมันบังไอ้ความให้เทียงเอาไว้ทีนี้ก็ อะไรบางทุกข์เอาไว้คําตอบก็คืออิริยาบทอริยาบทบาาทรางความทุกข์ของร่างกายสร้างความทุกข์อธิยาบทบังความทุกข์เอาไว้หรือว่าเรายืนเดินนั่งนอนแต่ <c oughs> ถ้าอยู่ในอริยาบทเดียวอยู่ในอธิยาบทเดียวตลอดหานั่ง นั่งอยู่ตลอดอย่างนี้ไม่เท่าไหร่ก็เห็นทุกชัดเจนแต่จรินถ้านอนแม้แต่ น, น, นอนที่เราชอบที่สุดคือเรียบทนอนที่คนชอบชอบนอนถ้านอนอยู่ท่าเดียวมันก็ไม่เท่าไหร่มันก็เห็นทุกแต่ท่านดูคนป่วยที่นอนอยู่โรงพยาบาลก็ได้ให้นอนอยู่ท่าเดียว บางคนก็เป็นแปลที่หลักเลยนอนอยู่ท่าเดียวมันอึดอัดไม่ได้ต้องเปลี่ยนนิรยาผลอันนี้ทำให้บางทุกข์เอาไว้ถ้หมอชีวกหมอชีวกสมัยพุทธกาลไปรักษาเศรษฐีคนหนึ่งแล้วก็ท่านจะผ่าตัดท่านบอกว่านอนอยู่ในท่าเดียวเออ สักเดือนหนึ่งได้ไหมนอนอดียวท่านเดียวสักเดือนหนึ่งไดไหมเขาบอกว่าได้เศรษฐีบอกว่าได้มันเจ็บนี่ยเจอความเจ็บทุกเวทนามันบีบคัน้นบีบคัน้นทําให้รับปากหมอว่าได้ <c oughs> <c oughs> เพื่อจะได้หายเจ็บนี่ก็ท่านก็จับมัดไปกับเตียงแล้วให้อยู่ให้ยาปวดพอถึงเจ็ดวันทนไม่ไหว ขอร้องหมอว่าขอเปลี่ยนหน่อยเถอะขอเปลี่ยนหน่อยเถอะแหมอก็ยอมให้เปลี่ยนยอมให้เปลี่ยนหมอรู้ว่าเจ็ดวันก็หายแล้วแต่ว่าต้องการต้องการทดสอบว่าว่าถ้าถ้าให้อยู่เดือนหนึ่งจะอยู่ได้ไหมทะนี้คนไข้เนี่ยมันคิดเอาไว้ว่ามันมากกว่าเจ็ดวัน มันก็มากกว่าเจ็ดวันมันก็เจ็ดวันนี่มันก็ทนได้มันหนึ่งในส <c> ี <oughs> ่7เจ็ดวันทนไปได้เจ็ดวันเต่หมอก็รู้แล้วว่าจะให้อยู่แค่เจ็ดวันเท่านั้นแต่หมอบอกว่าเดือนนึงได้ไหมบอกให้มากเอาไว้เพให้คนไข้อดทนอย่างน้อยเจ็ดวัน <c oughs> ก็ทนได้แล้วพอครบเจ็ดวันหมอก็บอกว่าพอแล้ว <c oughs> พอแล้วจะเปลี่ยนอิริยาบถไปนอนท่าไหนก็ได้อย่างนี้ครับเราทุกคนได้มีประสบการณ์ด้วยตนเองเกี่ยวกับเรื่องนี้คือว่าบางคนก็นั่งนานก็ไม่ได้อยิ่งเป็นโรคปวดหลังด้วยหรือกระดูกหลังไม่ไม่ปกติอย่างนี้ยิ่งนั่งนานไม่ได้เราต้องเปลี่ยนอิริยาบถบ่อย แล้วหมอ ก, ก็บอกว่าคนที่เป็นโรคปวดหลังคือว่ากระดูกกลังไม่ปกติหรือว่ากลอนไปซึกไปอะไรนี้พยอย่าไปทนถ้านั่งอยูน่นั่งแล้วรู้สึกปวดก็ต้องรีบเปลี่ยนี่อยาปวดเสียแต่ <c oughs> คนที่ปวด้ายอ่ปวดขา ย, ยืนนานไม่ได้ยืนนานก็ก็จะเป็นอันตราย เด็กที่อยู่ที่ห้างสประสินค้าทราบข่าวว่าเขาไม่ให้นั่งเขาให้ยืนทั้งวัดยืนก็ปวดปวดนะทีน้อยก็เส้นเป็นเส้นเลือดขอดที่น้องมรักษายากด้วยเคยเห็นพระเถระรูปหนึ่งพระเถระผู้ใหญ่ท่านเป็นเส้นเลือดขอดที่ท่า เรบวมบวมขึ้นบวมขึ้นเนอะเดินไม่ได้ในที่สุดก็เดินไม่ได้ <c oughs> แันนี้เรื่องอิริยาบถนี่สำคัญมากในการเปลี่ยนอิริยาบถให้เหมาะสมหรือให้สมดุลหรือให้สมควรกันไม่นั่งมากเกินไปไม่นอนมากเกินไปไม่เดินมากเกินไปไม่ยืนมากเกินไปทำแต่พอประมาณ เราก็จะช่วยรักษาร่างกายเอาไว้ได้ตามสมควรตามสมควรแล้วก็มันช่วยบังทุกข์เอาไว้ด้วยไม่ให้เราเห็นทุกข์ชัดเจนนะอ่น <c oughs> นี้ก็อะไรบังอนัตตาเอาไว้คำตอบก็คือคณะสัญญาคณ ะ, อะคอรักังนะครับอคอรักังนอนหนู <c oughs> เราขังนอนอยูคณะสัญญาบังอนัตตาเอาไปคณะสัญญาแปลว่าความสําคัญหมายว่าเป็นก้อนเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นกลุ่ม <c oughs> ที่จริงมันมันแยกกันอยู่อ่ะนะครับที่จริงมันแต่ว่าเนื่องจากว่าตาความสามารถตาของตาของเราเนี่ยมันมีมีขอบเขตจํากัดมีความจํากัด จึงไม่สามารถที่จะมองเห็นความที่มันเป็นรูเป็นเป็นรูพรุนหรือว่าความที่มันแยกกันอยู่เป็นช่องช่องเป็นช่องช่องเหมือนหน้าต่างหน้าต่างตึกเนี่ยครับที่เรามองขึ้นไปจากที่ไกลมันก็มองไม่เห็นเป็นหน้าต่างมันก็มองเห็นเป็นพืชกันโดยหมดมองจากที่ไกล ที่จริงมันมีช่องเยอะต <c oughs> ัวมดที่เดินตามกันมาเป็นแถวๆ <c oughs> น, นะเดินกันมาถ้าเรามองจากที่ไกลก็มองเห็นไม่มีไม่มีเห็นช่องว่างจะมองเห็นความเป็นกลุ่มเป็นก <c oughs> อ้อนอตัวอย่างที่ชัดที่สุดที่เห็นก็คือว่าเอผนังตึกอ่ะครับผนังตึก ทื่เขาเอาอิดนาเรียงกันเป็นก้อนๆแล้วก็ทับถม ก, กันขึ้นไปซ้อนกันขึ้นไปนั่นนะที่จริงมันแต่ละก้อนแต่ละก้อนมันก็เป็นอิสระแต่ทีนี้เราเอาใส่เครื่องฉาบมาฉาบเอาไว้แล้วก็มีปูนฉาบปกปิดอีกทีหนึ่ง <c oughs> ก็ทำไม่ให้เห็นแม่ให้เห็นว่ามันขณะนี้คือคณะสัญญาคือลักษณะของคณะสัญญา ทำให้เราเห็นเป็นอัตตาเป็นตัวตนเป็นรูปร่างเป็นตัวตนถ้าไม่มีอันนี้มันก็จะมองเห็นอันัตตาความไม่ใช่ตัวตนหรือไม่เป็นตัวตนชัดเจนชัดเจนึจน้นเรื่องนี้ก็พูดได้เยอะครับแต่ว่ามันจะเกินขอบเขตของเรื่องที่กำลังจะพูดอยู่ต้องต้องการจะบอกพอเป็นแนวทางเท่านั้นวันนี้เป็น ธรรมชาติอย่างหนึ่งของชีวิตธรรมชาติของชีวิตคือว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตานี่เรามองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เพราะว่ามันมีสิ่งบังเอาไว้พอเพิกสิ่งที่บังออกก็จะเห็นสิ่งเหล่านี้ชัดเจนขึ้นด้วยปัญญาด้วยปัญญาที่แหลมคมมันเหมือนอะไรที่มีใบไม้ไปปิดเอาไว้พอเราเคลียใบไม้ออกตัวจริงมันก็ปรากฏ ขึ้นมาผมขอพูดต่อไปนะครับในตอนที่สามของเรื่องนี้ว่ากฎธรรมชาติที่เกี่ยวกับชีวิตกฎธรรมชาติที่เกี่ยวกับชีวิตปรากฏการของชีวิตดูสลับซับซ้อนยุ่งเหยิงยากที่จะสังได้ใครคลยเรือหนามนะครับคล้ยเรืวหนามที่ซับซ้อนกันอยู่ อย่างที่พระพุทธเจ้าจัดสอบปัญหา อ, อ, อย่างที่มีผู้มาทูลถามปัญหาพระพุทธเจ้าว่าจัดโลกยุ่งทั้งภายในยุ่งทั้งภายนอกจัดโลกถูกความยุ่งเกี่ยวพันไว้ใครเล่าจะตางความยุ่งเสียได้ด้วยวิธีอย่างไร ซึ่งในที่นั้นนะครับพระพุทธเจ้าได้ดตรัสตอกว่าบุคคลผู้ดำรงอยู่ในสิลอบรมจิตให้ดีแล้วทำปัญญาให้รุ่งเรืองมีความเพียรมีปัญญารักษาตนเห็นภายในสังสารวัฏคนเช่นนั้นแหละจะสามารถสั่งความยุ่งจะได้ ข้อความเพียงเท่านี้ครับพระพุทธโคสาาัจจย์พระตกถาจารย์ผู้มีชื่อเสียงโดง่งดังได้ได้เอาข้อความอันเนี้ยคําถามคําตอบอันเนี้ยโดยเฉพาะคําตอบของพระพุทธเจ้ามารจนาคมพีวิสุทธิมักได้เป็นหนังสือสามเล่มใหญ่ๆวิสุทธิมัก สีลสมาธิปัญญาจะว่าด้วยสินสมาธิและปัญญาว่าด้วยสินเล่มหนึ่งแล้วก็เล่มสองก็ว่าด้วยสมาธิแล้วว่าด้วยปัญญาบุคคลดํารงตนอยู่ในสิ น, นอบรมจิตให้ดีทําปัญญาให้รุ่งเรืองมีความเพียรมีปัญญารักษาตนเห็นภัยในสังสารวัฏนั่นแหละจะสามารถสร้างความยุ่งเสียได้ ในภาษาบาลีท่านใช้คาว่าชัดใช้คำว่าชัดโ <c oughs> ลกชัดนะครับโลกชัด <c oughs> ที่ปรากฏการของชีวิตดูสลับซับซ้อนอยากที่จะเข้าใจทำความสงบให้เราอยู่เรื่งหนึ่งก็เพราะว่ากฎธรรมชาตินั้นเกี่ยวกับชีวิตเนี่ยซึ่งอยู่เบื้องหลังชีวิตนั้นมีความสลับซับซ้อนอยู่มากนั่นเองครับ กฎธรรมชาติที่ว่านี้ทางพุทธศาสนาเรียกว่านิยามนิยามนิยาม orderliness of nature นิยามซึ่งถ้าแปลตามตัวก็แปลว่าการกาหนดการกาหนดซึ่งหมายถึงกฎธรรมชาติเป็น nature law กฎธรรมชาติท่านเองซึ่งท่านกล่าวไว้ห้าอย่างนะครับหาจากประการที่หนึ่งเรียกว่าอุตุนิยามอุตุนิยามฟิสิคันอินอินออแกนิกออเอร์กฎธรรมชาติที่ว่าด้วยอุณหภูมิระดู ก, การสมควาอากาศซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายซึ่งมีอิทธิพลต่อความเป็นไปของมนุษย์อยู่ไม่น้อยเลย เป็นผิวดํำหรือผิวขาวครอมใสอยู่ในแถบรอดหรือแถบหนาวเป็นต้นนะครับ <c oughs> ประการที่สองเรียกว่าพีชชนีจามอันนี้เป็นฟิสิกส์ิสิเคอลออร์แกนิกอันดับธรรมชาติที่ว่าโดยพืชพันธุ์รวมทั้งพันธุกรรมด้วย <c oughs> เป็นพืชพันธุ์ุเรียนมีผลเป็นทุเรียนไม่เป็นขนุนสุนัขออกลูกเป็นสุนัขเป็นต้นนะครับ ทีนี้ก็มาถึงประการที่สามประการที่สามเรียกว่ากรรมนิยามกรรมนิยามเป็น order of act and result ว่ากฎธรรมชาติที่เกี่ยวกับการกระทาของมนุษย์แล้วก็อำนวยผลให้เป็นไปตามการกระทำ <c oughs> โดรวมเรียกว่ากระบวนการกระบวนการแห่งกรรมและการให้ผลซึ่งก็มันจะมีระเบียบระบบของตนเองกรรมอนิยาม <c oughs> กรรมเป็นตัวกาหนดท่านี้ก็สำคัญมากนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่น่ากลัว ว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเจ้ากรรมวุณนาวัตติโลโกโลสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมกรรมเป็นตัวกําหนดให้เป็นไปถ้าทำกรรมดีก็ไปในทางที่ดีทํากรรมชั่วก็ไปในทางที่ชั่วได้รับผลชั่ว ก็ถ้าทำทั้งดีทั้งชั่วก็ได้รับผลคระกันหรือว่า <c oughs> ได้รับผลดีบ้างได้รับผลชั่วบ้างได้รับผลคระกันเพราะเหตุที่ว่าเราทำทั้งสองอย่างมันถึงคราวถึงคราวที่กรรมใดจะให้ผลมันก็ ด, ดูเหมือนว่ามันจะจัดระเบียบระบบอะไรของมันเพให้เปิดโอกาส เปิดโอกาสให้กรรมให้ผล <c oughs> อันนี้เรียกว่ากรรมนิยามจะเป็นไปกรรมกรรมทีนี้ก็ด้วยเรืเนี่ยครับทางทั้งทา ง, ทางโลกและทางธรรมก็เน้นเรื่องกรรมให้คนเรากลัวกรรมชั่วแล้วก็รักที่จะทำกรรมดีคือว่า มันจะจัดตัวมันเองมีระเบียบระบบของมันเอง <c oughs> ถ้ถึงคราวที่กรรมชั่วจะให้ผลมันก็จะจัดอะไรต่ออะไรมันเปิดโอกาสแล้วก็ถ้าถึาถงข่าวที่กรรมดีจะให้ผลมันก็จะจัดอะไรต่างๆให้เป็นโอกาสแก่กรรมดีแก่กรรมดีที่จะให้ผล อันนี้เรียกว่ากดแห่งกรรมกรรมมณียาอันนี้อีกตัวหนึ่ง <c oughs> อีกตัวหนึ่งก็คือธรรมนิยามนี้อันที่สี่เรยว่าธรรมนิยาการนอนเดอร์ออเดนอมนอมแปลว่าธรรมะนอม n o n o r m นอมออเดอร์ออฟเดนนอมกรรมมณียาธรรมมณียาเรียกว่าธรรมดา ธรรมดาหรือกฎธรรมชาติเป็นตัวกำหนดมันเป็นกฎทีเ่เกี่ยวข้องสัมพันธ์เป็นเหตุเป็นผลของการแลกกันของสิ่งทั้งหลายเช่นว่าคนก็มาถามว่าทาไมทำไมใบไมบ้มันจึงทำไมใบไม้มันจึง อ่อนแล้วก็เป็นใบไม้แก่แล้วเป็นใบไม้เหลืองล้นลงไปออันนี้ก็คือธรรมนิยามคือว่ากฎธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าตาถตามันเป็นเช่นนั้นเองเพราะว่ามีคนมาถามว่าคนเราทําไมเกิดแล้วจึงต้องแก่ต้องตายอันนี้ก็คือธรรมนิยาม แล้วกฎธรรมชาติหรือกฎธรรมดามันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นว่า <c oughs> ทำไมคนเราทําดีจึงได้ดีทําชั่วจึงได้ชั่วเอก็ธรรมดามันเป็นอย่างนั้นนอกจากนอกอยาไม่เป็นกฎแห่งกรรมแล้วมันยังเป็นกฎธรรมชาติหรือกฎธรรมดากฎแห่งกรรมนี่มันก็เป็นเนเชอรัลลอมันเป็นกฎธรรมชาติอย่างหนึง่ง เป็นอย่างนั้นน <c oughs> ั่นขืนไม่ได้มันเป็นไปอย่างนั้นเป็นเหตุเป็นผลของกันและกันอางไตรลักษณ์ไตรลักษณ์หรือว่าสามัญจะลักษณะสามอย่างคือความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์แล้วก็ความเป็นอนัตตาของสิ่งทางปวงมันก็เป็นธรรมนิจจา ถ้าใครถามว่าทาไมมันจึงไม่เที่ยงเขาบอกว่ามันเป็นอย่างนั้นอ่ะมันกฎธรรมดามันเป็นอย่างนั้นจร <c oughs> ิงไงตัวนี้มันครอบคลุมทั้งหมดนะครับ เ, เดี๋ยวผมจะพูดทีหลังก็ได้กฎธรรมดามันเป็นอย่างถ้าเรารู้ธรรมดาหรือธรรมชาติแล้วไอ้ความทุกข์ต่างๆกับเรื่องต่างๆมันก็จะค่อยๆผ่อนคลายลงไป บางทีมันก็หล่นลงไปเลยทีเดียวที่มันเคยค้างคาใจอยู่